รวยพอ่ อ, พอจองกขาช่วยทันได้เศรษฐีผู้มีดาวใจอยากช่วยให้ทั้งฝนฟ้าดอนหน้าฝนฝนตกลงมาฤดูทำนาเวียนมาอีพลถ้าใครใช้ใควายไถนาเดี๋ยวนี้มันลาสมัยเต็มทน ยุคนี้มันต้องว่างไวทำได้ให้ได้กำไรค่นหันมาใช้ควายเหล็กทุกคนหากใครคิดอยากจะรวยพ่อจอมก็ช่วยทันได้เศรษฐีผู้มีน้ำใจอยากช่วยให้ทันผลความจนหาใครไม่เหนื่อยไม่ลาเพราะว่าควายเหล็กนั้นเป็นเครื่องยนต์ ทนทานใช้งานแข็งแรงราคาไม่แพงไม่กินแรงคนแทนยังเป็นเรื่องสูบน้ำมันมีประโยชน์เลือล้ำควายเหล็กจะทำให้รวยทุกคนหากใครคิดอยากจะรวยพ่อจอมเขาช่วยทำได้เศรษฐีผู้มีน้ำใจอยากช่วยให้ทักคน ไม่ค่อยมีเงินขอเชิญมาถุยกันได้ทุกคนเอาหน้ามาค้ำเอาไว้ไม่ต้องกลุงใจไม่ต้องกังวลแล้วเอาควายเหล็กไปใช้พอนกันสบายสบายผ่อนหมดวันไหนแล้วคอยเมาหากใครคิดอยากจะรวยพ่อจอบกขช่วย่ันได้เศรษฐี เี่คิดถูกเลือลายเพราะว่าตั้งใจจะช่วยคนจนอยากใาห้ชาวนาบ้านเล่าลืมตาอาปากได้ทั้งตำบนแม้ถ้าถ้าสมัวใดที่นาที่ทำเอาไวา้จะถูกจึดไปเข้าใจนะทุกคนหากใครคิดอยากจะรวยพอจอมเขาช่วยทันได้ อยากจะรวยพ่อจอมก็ช่วยทันไดเศรษฐี